ตอนที่26กวางแผนซ้อนกลอนฮ่องเต้ลุกขึ้นเถอะอยี่เยากล่าวเพียงประโยคสั้นๆทุกคนต่างมองหน้ากันไปมานางย้ำอีกครั้งลุกขึ้นให้หมดในเมื่อยี่ยเยาเอ่ยปากแล้วหวังเฟยจึงรีบดึงตัวเซียชิงจือให้ลุกขึ้นก่อนจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันพยุงหลินเซินให้ลุกขึ้นตามหลินเซินจ้องมองนางเขามักจะรู้สึกเสมอว่าถูกนางเมินเฉยจนเกิดความรู้สึกไม่ยินยอมพร้อมใจอย่างบอกไม่ถูก เขาสัมผัสได้ลางๆว่านางไม่ได้ใส่ใจคําขอโทษของเขาและยิ่งไม่สนใจว่าเขาจะลำเอียงเข้าข้างใครจนในยุติธรรมต่อนางหรือไม่แล้วสิ่งที่นางต้องการคืออะไรกันแน่ในใจของหลิงเซินคล้ายจะมีคําตอบที่เลือนรางอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เขาต้องของมวดคิ้วแน่นประจบเหมาะกับที่หมอหลีถอนเข็มออกพอดีเขาเช็ดเหงื้อพลางถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกเรียบร้อยแล้วพิษในร่างกายของหูหยินเท่าถูกขับออกมาได้เกินครึ่งแล้วไม่เป็นอันตรายร้ายแรงแล้วขอรับ ช่วงไม่กี่วันนี้ต้องพักผ่อนให้ดีค่าจะจัดเทียบยาให้สักสองสามชุดทิษที่เหลือจะถูกขับออกมาจนหมดในไม่ช้าขอทุกท่านโปรดวางใจทุกคนต่างพากันโล่มอกตามไปด้วยพี่สะพายรับเทียบยาจากหมอหลี่ด้วยตัวเองก่อนจะเดินไปส่งเขาที่หน้าประตูเย่เยาเฝ้าอยู่ข้างเตียงของทัญญาน า, นางสูดลมหายใจลึกหลายครั้งเพื่อสงบสติอารมณ์โดยที่ยังคงไม่หันไปมองหลินเซินแม้แต่แวบเดียวไปเถอะเสียงของนางเบาหวิวทะว่าทรงพลัง พวกท่านไปกันให้หมดทั้งสามคนจัดจนสิ้นอ๋องเยี่ยยเอาวพวกท่านก็ยอมรับผิดแล้วคุกเข่าก็คุกเข่าแล้วถูกโบยก็ถูกโบยแล้วไปเสียเถอะข้าไม่อยากให้ทัญญาตื่นมาแล้วต้องเสียใจหรือโกรธเคืองเพราะเรื่องนีอีกท่านหมอหลี่บอกแล้วว่านางต้องการการพักผ่อนน้ำเสียงที่ร้ายซึ่งความอบอุ่นและไร้อารมณ์นั้นทําให้หลิงเซินเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจขึ้นมาอย่างประหลาดเขาไม่ชอบท่าทางที่นางทําเหมือนไม่แยแสเขาเช่นนี้เลย หวังเฟยและเสี่ยชิงจือย่อมไม่มีคำใดจะโต้แย้งขณะที่หลิงเซินกำลังจะอ้าปากเยาะอูเสียก็ชิงพูดขึ้นก่อนหวังเฟยและซื่อจือเชิญกลับไปก่อนเถอะในเมื่อมารดา ข, ของข้าไม่เป็นอะไรแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรบกวนให้เป็นกังวลอีกเรื่องในวันนี้หวังว่าแม่นางเสี่ยจะจําบทเรียนนี้ไว้ให้มัน่นน้ําเสียงของเยาะอูเสียหนักแน่นขึ้นเสี่ยชิงจือเซิกสะอื้นพางก้มหน้าลงอย่างเงียบเงียบหวังเฟยรีบตอบแทนนาวถ้าแม่ทับวางใจเถอะชิงจือจะจําไว้แน่นอน ดีมากเย่อเสียโบกมือใหญ่เรื่องผิดพลาดไม่ควรเกินสาครั้งหากมีครั้งหน้าอีกค่าจะไม่มีวันยอมจบเรื่องง่ายๆเช่นนี้แน่ใครก็ได้ส่งแขกในเมื่อเจ้าบ้านออกคำสั่งเล่แขกด้วยตัวเองต่อให้เป็นหวังเฟยและซื่อจื่อก็ไม่มีคำพูดใดจะกล่าวได้อีกสายตาของหลินเซินหยุดอยู่ที่ร่างของเย่เยาเนิ่นนานเขาขมวดคิ้วแน่นก่อนจะหมุนตัวเดินจากไป สองพ่อลูกประกูลเย่ยแทบรอไม่ไหวที่จะถามเย่ยาว่าเรื่องของนางกับชูชื้อนั้นเป็นมาอย่างไรแต่กลับถูกพี่สะพ้ยลากไปที่มุมห้องเสียก่อนหลังจากฟังคำอธิบายสองพ่อลูกก็ถึงกับบังอ้อเ ย, ย่อูเสียมองดูเ ย, ย่ยาวที่คอยเฝ้าอยู่ข้างเตียงท่านยา่าแล้วอดไม่ได้ที่จะรู้สึกปวดใจเด็กคนนี้เริ่มรู้จักคิดและรู้ความขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเ ย, ย่หัวก็ถอนหายใจเช่นกันน่าเสียดายที่ซื่อจึอเข้ามาแทรกกลางมิเช่นนั้นน้องหญิงกับชูชื้อก็ถือเป็นกิ่งทองใบหยกที่สวสรรค์ ทั้งสามคนต่างถอนหายใจออกมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายเย่เยาเชื่อว่าจะไม่ได้ยินคำกระซิบประซาบของพวกเขาพวกผู้ใหญ่ต่างคิดว่านางกำลังเสียใจมากแต่ความจริงแล้วนางไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยในทางกลับกันท่าทางของหลิงเซินเมื่อครูกลับทำให้นางคิดหาวิธีถอนมันออกจะสำเร็จหรือไม่นั้นยังไม่รู้แต่อย่างน้อยก็ต้องลองดูสักตั้งเย่เยาแอบยกยิ้มที่มุมปาก ท่านปู่ได้รับข่าวก็รีบเร่งกลับมาจนรองเท้าหลุดไปข้างหนึ่งเขารีบโผไปที่ ข, ข, ข้างเตียงท่านย่าด้วยความสงสารจนน้ำตาคอพลางด่าถอกมานังหนูคนนั้นของจวนสิ้นอ๋องมีความแค้นเคืองอะไรกับยายเท่าของข้านักหนาถึงได้ตามมาราวีไม่จบไม่สิ้นเช่นนี้ยิ่งคิด ก, ก็ยิ่งโมโหท่านปูท่ทำตัวเหมือนเด็กที่กำลังโกรธจัดเขาผุดลุกขึ้นยืนทันทีข้าตาเท่าคนนี้จะไปฟ้องฝ่าบาทเดี๋ยวนี้ พี่สะพ้ยตั้งใจจะเข้าไปห้ามแต่เย่ยอมกลับแอบรั้งนางไว้พี่สะพ้ยแม้จะไม่เข้าใจแต่ก็ยอมปืนคำพูดลงไปเย่ยอุเสียและบุตรชายนั้นเชื่อฟังท่านปู่ที่สุดหากท่านปู่บอกว่าหนึ่งพวกเขาก็ไม่มีวันบอกว่าเป็นสองในวันนั้นเองท่านปู่ก็ถือไม้เท้าเดินดุ่มดุมเข้าวังไปด้วยความโกรธเกรี้ยวเขาไปอลราวาสใส่ฝาบาทในห้องทรงอักษรยกใหญ่ฝาบาทเองก็ต้องไว้หน้าเขาอยู่หลายส่วนจึงได้แต่ตรัสปอบโยนด้วยถ้อยคำสุภาพ สุดท้ายจะมีราช อ, องคการเรียกตัวสิ้น อ, อ๋งเข้าวังเพื่อให้มาขอโทษเหล่าก๋ากอกลมผู้เฒ่าต่อหน้าเมื่อท่านอ๋องยอมขอโทษตนเองและฮ่องเต้ก็ตรัสคำดีๆให้ท่านปู่จึงยอมระงับความโกรธลงได้บ้างก่อนจะกลับเขายังคงสายหน้าให้สิ้น อ, อ๋งซ้ำๆแม่นางชิงจือคนนั้นชะตากรรมหน้าสงสารก็จริงแต่จนสิ้น อ, อ๋งของท่านลำเอียงเข้าข้างนางถึงเพียงนี้วันหน้าเยาว ย, ยาของข้ามีต้องถูกรังแกจนอึดอัดใจทุกวันหรือเช่นนี้จะให้ข้าตาเท่าคนนี้วางใจยกเยาเย า, เยาให้แต่งเข้าไปได้อย่างไร เหล่าก๊กงมีผลงานการศึกโดดเด่นซ้ำยังเป็นผู้อาวุโสแม้แต่ฝ่าบาทยังต้องไว้หน้าสิ้นอองจึงยิ่งไม่กล้าขัดใจเหล่าก๊กงสั่งสอนได้ถูกต้องแล้วเพียงแต่ชิงจือเด็กคนนี้น่าสงสารจริงๆท่านยังถูกชะตากับหวางเฟยการจะเอ็นดูนางมากหน่อยก็ไม่ถือว่าเกินไปนักวันหน้าพวกเราจะปรับปรุงแน่นอนหากจะมีสิ่งใดไม่พอใจก็สุดแท้แต่เหล่าก๊กงจะจัดการท่านปู่รีพอคำพูดนั้นทันทีนี่ท่าน อ, องเป็นคนพูดเองนะฝ่าบาทพระองค์ทรงได้ยินแล้วใช่หรือไม่ ฝ่าบาททรงพระสวนพางพยักหน้าซ้ำๆตกลงเจนจะเป็นพยานและเป็นผู้ตัดตสินให้เองถ้าอย่างนั้นข้าขอพูดคำอัปลักษณ์ไว้ล่วงหน้าเลยหากจวนสิ้นอ๋องยังมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นอีกหรือทําให้เยาวยาของข้าต้องลำบากใจอีกการมั่นหมายนี้ต่อให้เป็นวาจาสิทธิที่ฝ่าบาทพระราชทานมาข้าตาเท่าคนนี้ก็จะต้องถอนมั่นให้ได้เมื่อได้ยินเช่นนั้นทั้งฝ่าบาทและสิ้นอ๋องต่างก็ตั้งตัวไม่ติด แต่ในเมื่อคาพูดหลุดจากปากไปแล้วย่อมไม่อาจเรียกคืนได้ทําได้เพียงตกกระไดพลอยโจรมองหน้ากันแล้วจําใจรับคําสิ้นอองเหล่าก๋วกงว่าอย่างไรก็ว่าตามนั้นเถิดฮงเต้เจิ้นเห็นชอบตามความประสงค์ของเหล่าก๋วกงแต่ขอให้เหล่าก๋วคงปลดใจรตรองให้รอบคอบก่อนลงมือทําสิ่งใดจะดีหรือไม่ท่านปู่ฝาบาทโปรดวางใจหากจนสิ้นอองดูแลหลานสาวของกระหม่อมได้เป็นอย่างดีกระหม่อมเองก็ยินดีที่จะเห็นงานมงคล น, นี้สําเร็จ สองพี่น้องเชื้อพระวงศรอบผ่อนหายใจอย่างโล่งอกโดยหารู้ไม่ว่าที่มุมปากของเหล่ากวัวกงแอบปรากฏรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ขึ้นมาบูบหนึ่งเยี่ยยอนิสัยเหมือนเขาไม่มีผิดรอยยิ้มยามที่กําลังวางแผนร้ายนั้นช่างเหมือนกันราวกับพิมพ์เดียวก่อนที่ท่านปู่จะเข้าวังเยี่ยยอได้แอ บ, บยุยงเขาไว้สองสามประโยคเขาจึงอาศัยจังหวะ น, นี้ดึงฝาบาดมาเป็นพยานและผู้ตัดสินหากวันหน้าจนสิ้นอองทําให้เยี่ยยต้องลําบากใจหรือลําเอียงเข้าข้างเสียชิงจืออีการถอนมั่นครั้งนี้ก็จะสามารถทําได้อย่างสมเหตุสมผล แถมฟาบาทยังตัดคําว่าไม่ไม่ออกอีกด้วยท่านปู่นั่งยิ้มกริมอยู่บนเก้าอี้โยกในลานบ้านพร้อมกับท่านยา่าโดยมีเยี่ยคอยต้มสุราอยู่ข้างๆวิชาแพทย์ของหมอหลี่นั้นยอดเยี่ยมอย่างไรที่ติเพียงคืนเดียวท่านยา่าก็กลับมาเป็นปกติแล้วพิที่เหลืออีกเพียงเล็กน้อยอีกไม่กี่วันก็จะขับออกจนหมดท่านย่ายังคงมีอาการอ่อนเพลียอยู่บ้างแต่เมื่อได้รับอิทธิพลจากรอยยิ้มของท่านปู่ทําให้นางอารมณ์ดีขึ้นมากจึงแกล้งด่าทอท่านปู่ ตาถ้าไม่รู้จักสำรวมภายยาวๆของพวกเราเสียคนไปด้วยแล้วปู่หลานคู่นี้ไม่รู้ไปเอาความกล้ามาจากไหนถึงขั้นกล้าวางแผนซ้อนกลฝาบาทและสิ้นอองท่านปู่ก็เยาๆของพวกเราไม่อยากแต่งกับซื่อจื่อที่ไร้น้ำยาคนนั้นจะให้ข้าทนดูนางกระโดดลงกองไฟได้อย่างไรเสียคนอะไรกันเยาๆของพวกเราเรียกว่าฉลาดต่างหากข้าว่าทั้งบ้านมีแค่นางกับซื่อสเสวียที่หัวดีที่สุดแล้วท่านยะตีเขาเบาๆแต่กลับหลุดหัวเราออกมา แต่ท่านจะเล่าคําพูดดีๆท่านชิงพูดไปหมดแล้วท่านปู่มองเยี่ยยาวด้วยความเอ็นดูพลางถอนหายใจยาวกระดูกแก่ๆของข้ายังสามารถทําอะไรเพื่อเยี่ย ย, ยได้บ้างเท่านี้ก็ดีมากแล้วเยี่ยยามองดูผู้อาวุโสทั้งสองพางยิ้มอย่างอ่อนโยนนั่งส่งสุราที่ต้มเสร็จแล้วไปตรงหน้าพวกเขาเยี่ย่ารู้ว่าท่านปู่ท่านยา่ารักข้าเยี่ย ย, ยเองก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องท่านปู่ท่านย่าให้ดีที่สุดเจ้าค่ะ